วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้กสิบหกเป็นวันพระเป็นวันมงคลความเป็นมงคลนี้เกิดจากการที่มีการกระทากันในวันนี้ ความมงคลไม่ได้อยู่ที่วันพระแต่อยู่ที่การกระทาที่เป็นมงคลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว <c oughs> ้ทรงสอนไว้ในพระมงค ล, ลสูตรมงคล38ข้อด้วยกันเป็นการกระทาที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเช่นวันนี้ เราก็จะมีการกระทาที่เป็นมงคลอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งอาศวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกลมุตตมังการไม่ครบคนพางหรือคนโง่หนึ่งสองการครบบันดิต หรือคนคบคนฉลาดสามการบูชาบุคคลที่ควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือการกระทําที่ทำให้เกิดความเป็นมงคลคือเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความเจริญให้แก่จิตใจวันนี้เรา มาวาดกันมาหาบัณฑิตกันเพราะวัดนี้เป็นที่อยู่ของบัณฑิตคือคนฉลาดในทางพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่งไม่มีใครในโลกนี้ที่จะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอหลานตสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของใครในโลกนี้ จะเป็นคำสอนที่ประเสริฐเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> วันนี้แทนที่เราจะไปคบคนไม่ฉลาด <Yeah. S 1> คนที่ไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาป <Yeah. S 1> เรื่องคุณเรื่องโทษ <Yeah. S 1> เป็นคนไม่ฉลาด <Yeah. S 1> คนที่ฉลาดนี้ <Yeah. S 1> เป็นคนที่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วรู้เรื่องคุณเรื่องโทษ <Yeah. S 1> ในการกระทาต่าง เชนคนไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษก็คือคนที่ชอบไปเสพเสพอบายามุกต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรเกียดคร้านอันนี้เป็นการกระทาของคนไม่ฉลาดของคนง่อ รวมไปถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการรักทัก์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์คุณสมบัติของคนที่ไม่ฉลาดที่เรียกว่าเป็นคนพาลถ้าเราไปคบกับคนไม่ฉลาดเขาก็จะสอนให้เราไม่ฉลาดตามเขาถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่นการพนนเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเทีเ่ยวเสพอบเสพกามอารมณ์ต่างๆเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทตามแหล่งบันเทิงต่างๆเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวไปเสพตามสถานบันเทิงต่างๆตามเขา หรือถ้าเขาเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัด <Exped> ช <ition ing WA> i̇şte ีว <problèmes> ิตเช่นเขาชอบยิงนกตกปลาเขาก็อาจจะชวนเราให้ไปยิงนกตกปลากับเขาหรือคนที่ชอบประพฤติผิดประเพณีเขาก็จะชวนเราไปประพฤติผิดประเพณีนี่คือการคบคนพาล จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาแต่การไม่คบคนพาลก็เท่ากับเป็นมงคลเพราะจะป้องกันไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายกับตัวเรานั่นเองส่วนการครบบัณฑิตคบคนฉลาดก็คือคบคนที่รู้โทษรู้คุณต่างๆ รู้โทษของการกระทำบาป ก, ก็จะไม่กระทำบาครู้โทษของการเสพอบายามุข ก, ก็จะไม่เสพอบายามุขบุคคลที่ไม่ทำบาปไม่เสพอบายามุข ก, ก็คือคนที่เป็นนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอนันตสาวกได้อย่างพระภิกษุทั่วไปบุคคลเหล่านี้จะไม่ เสบบายามุขจะไม่ทำบาปกันพอรู้ถึงโทษของการเสบอบายามุขและการทำบาปว่าจะนำความทุกข์มาให้แก่จิตใจและจะทำให้จิตใจตกต่ำจากมนุษย์ก็จะตกลงไปสู่พบของอบายพบของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของมัศวรกายและของนรกได้ บุคคลที่ฉลาดในโลกนี้ที่ฉลาดที่สูงสุดที่ฉลาดที่สุดนี้ก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอานันต์ตัสสาวกเพราะนอกจากการที่ไม่ไปกระทำสิ่งที่เป็นโทษกับตนแล้วยังรู้จักการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่จิตใจของตน เป็นบุคคลที่รู้วิธีที่จะกําหนดกาหนดกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเป็นบุคคลที่รู้จากวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบคือพบทั้งสามที่สัพพสัตทั้งหลาย อยู่กันอาศัยกันอยู่คือการมพบรูปภพและอรูปภพการมพบก็เป็นพบที่สัตว์ที่ยังเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระก็ได้แก่พบของมนุษย์พบของเทวดาและพบของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกเป็นพบ ของผู้ที่ยังเสพกวามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลภัพะผู้ที่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลภัพะด้วยการกระทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีโกหกหลอกลวงก็จะไปเกิดอยู่ในอบายเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตเป็นของอสุรกายและของสัตว์นรก ส่วนผู้ที่เสพกามโดยไม่กระ ท, ทําบาปเสพกรมแล้วก็มีการกระทําบุญ mm. ก็จะเกิดเป็นมนุษย์จะอยู่ในภพของมนุษย์ของภพเทวดาส่วนผู้ที่ละการเสพกามหันไปเสพความสงบคือหันไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเข้าฌานก็จะไปเกิดในรูรปภพ พบของผู้ที่ได้บรรลุถึงรูปประชานข่านต่างๆแล้วก็ไปอยู่อีกพบที่เรียกว่าอารูปภพบพบของอรูปภปพ ผ, ผู้นี้ก็จะเป็นพวกที่ได้เข้าถึงอรูปปัจานนี่คือตายพบพบของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดกันจะผัดเวียนกันไปเวียนกันมาอยู่ในพบต่างๆเหล่านี้ อันนี้สำหรับพระพุทธเจ้าและพระาหลานตสาวกนี้ท่านมีความฉลาดมีปัญญาท่านเห็นถึงโทษของการที่ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตคือในตายพบนี้เพราะว่าเมื่อมีการมาเกิดแต่ละครั้งเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน ต้องเจอความทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายและการพัดพ่างจากกันทุกครั้งไปแบบใดถ้ายังมีการมาเกิดอยู่แาบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงหาวิธีว่าทําอย่างไรจะทําให้จิตใจของพระองค์นั้น ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายในแต่ละภพแต่ละชาติไม่ว่าจะไปเกิดภพไหนชาติไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมจากภพนั้นชาตินั้นสมมติถ้าตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมอยู่เป็นพรหมได้ระยะหนึ่งก็จะหมดวาระก็จะลงมาเกิดเป็นเทพหลึกลง จากเทพเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเป็นมนุษย์เราก็มาเสพกามกันใหม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสหรือถ้าไม่เสพกามเสพสมาธิก็มาบวชกันมานั่งสมาธิเข้าฌานกันแล้วพอตายไปก็กลับไปเป็นเทพใหม่กลับไปเป็นพรหมใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่อย่างน้อยก็ยังดีกับพวกที่เสพกรรมด้วยการกระทาบาป พ, พวกที่เสพกรรมด้วยการกระทาบาปเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดนอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วพอพ้นจากกรรมพ้นจากบาปที่ได้ทํเอาไว้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาเสพกรรมใหม่ด้วยการกระทำบาปด้วยวิธีต่างๆกันใหม่แล้วตายไปก็ต้องกลับไปเกิดในอบายใหม่นนี่คือการเวียนว่ายในกรมมพบของผู้ที่ทำบาปและผู้ที่ไม่ทำบาปคือพวกที่ไม่ทำบาปทำแต่บุญก็จะเกิดตายไปก็ไปเป็นเทวดากัน พวกที่ทำบาปตายไปก็ไปอบายกันพวกที่มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเข้าฌานกันตายไปก็ไปเป็นพรหมกันไปเกิดสวรรค์ชั้นพรหมกันแล้วพอบุญหมดก็กลับมาเกิดใหม่พอมาเกิดมีร่างกายก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายใหม่ ทุกข์กับการพัดภาคทุกข์กับการสูญเสียจากบุคคลที่รักที่ชอบจากสิ่งที่รักที่ชอบไปถ้าไม่ต้องการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาพัดภาคจากกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ไม่มีใครรู้ว่าวิธีการที่จะหยุดการเกิดนี้ทำได้อย่างไรนานๆจะมีคนฉลาด คือพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาคิดค้นหาวิธีการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็คือพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รู้จักกันที่เป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานี้ขึ้นมา mm hmm. เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เกิดมาแล้ว ก็ถึงแม้จะเกิดบนกองเงินกองทองได้เป็นเป็นพระโอรสของพระกษัตริย์มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ในการมาสุขทั้งหลายมีความสุขอยากการได้เสพรูปเสียงกินรสโพธฐพาชนิดต่างๆมีปราสาทสามฤดูให้อยู่อาศัยเพื่อความสุขความสบายทางการอารมณ์ แต่ถึงแม้จะมีความสุขขณะนั้นก็ตามแต่ปัญญาของคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในตอนนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนมีวันเสื่อมได้มีวันหมดได้และเครื่องมือที่ใช้ในการเสดความสุขคือร่างกาย ก็เป็นของที่จะต้องเสื่อมลงร่างกายถึงแม้ว่าจะแข็งแรงมากมายขนาดตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆความแข็งแรงของร่างกายก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปทําให้การหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทาพะที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้ก็จะหย่อนสมรรถภาพลงไปตามลําดับ แล้วพออยู่ในทภาพแก่ชรามากมากก็จะไม่สามารถหาความสุขได้หรือยามที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเมื่อถึงเวลาตายความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะมีการซิ่งสุดลงเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจ ความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นอนาคตของพระองค์ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายังดำเนินการหาความสุขผ่านทางร่างกายอย่างนี้อยู่ในวันข้างหน้าพอร่างกายนี้หมดสภาพ หรือไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์และจะทำให้ใจนี้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้เมือ่อทรงเห็นสภาพของความไม่แน่นอนของชีวิตคือไม่เห็นความไม่แน่นอนของร่างกายเห็นความไม่แน่นอนของลาบยศสรเสริญสุขที่มีโอกาสที่จะเสื่อมได้ มีโอกาสที่จะเจริญได้บางทีเราก็ทำให้มันเจริญได้บางทีเราก็ทำให้มันเจริญไม่ได้บางทีเราก็ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมได้บางทีเราก็ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมได้เมื่อมันเกิดเวลาเสื่อมขึ้นมาเสื่อมจากลาบเสื่อมจากยศเสื่อมจากสรรเสริญมาสู่ความนินทาต่างๆ เสริมจากความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาสู่ความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสเวลานั้นก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อเจอกับความทุกข์ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถึงทรงเห็นว่าวิธีการดำรงชีพเพื่อหาความสุขจากการมาคุณทั้งห้านี้ ไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวโดยเอาความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาบังหน้าแต่พอเวลาถึงวาระที่ไม่สามารถที่จะเสพความสุขเหล่านี้ได้เวลานั้นใจก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัส เมื่อทรงเห็นอย่างนั้นก็เลยทรงคิดคนดูวิธีว่าจะทำอย่างไรก็ไปเห็นพวกนักบวชก็ได้ศึกษาได้ทราบว่าพวกนักบวชนี้เขามีวิธีหามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้กลรมคุณห้าไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่หาความสุขจากความสงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เคยทรงได้สัมผัสตอนที่มีพระชนยอด ว, วัยมีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งตอนนั้นพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่ทรงนั่งประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้ตามลําพังพวกบริวารที่คอยรับใช้ดูแลพอดีช่วงนั้นไม่ว่างต้องไปช่วยทํางานอย่างอื่นเลยปล่อยให้พระองค์ นั่งประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้ตามลำพังออพอระองค์ตกอยู่ในสภาพที่สงบปราศจากบุคคลต่างๆห้อมล้อมพระทัยของพระองค์ที่เคยสงบจากความวิเวกของทางกายมาก่อนในอดีตชาติก็เข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัติทำให้พระองค์ได้สัมผัสกับความสุข ที่เกิดจากความสงบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนั้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่สุขมากนะเปิดมหัศาจรรย์ใจแต่ก็ปรากฏได้เพียงระยะหนึ่งพอพวกบริวารพวกผู้ที่คอยรับใช้ดูแลกลับมาห้อมร้อมพระองค์ความสงบนั้นก็หายไป แต่ความจําถึงความสงบนั้นยังมีฝังอยู่ในใจของพระ อ, องค์แล้วพอพระ อ, องค์เอามาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะความสุขที่ได้จากลาบยศสันลสริญพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าความสุขนี้ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายไม่ต้องพึ่งพาอาศัยลาบยศสรเสริญไม่ต้องพึ่งพาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดถภพชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับตนองก็เลยเข้าใจว่าทำไมพวกนัก บ, บวชเขาถึงสละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถ ภ, ภาแล้วไปออกบวชกัน ไปหาสถานที่สงบสงดวิเวกอยู่ตามป่าตามเขา mm hmm. เพื่อที่จะได้บําเพ็ญการภาวนากิจตภาวน า, า, วนาที่เป็นวิธีที่จะควบคุมบังคับให้เข้าสู่ความสงบนั่นเอง mm hmm. เมื่อเห็นดังนั้นแล้วพ่อผมก็เลยรู้ว่าทางที่ควรจะไปทางที่ควรจะดำเนินต่อไป ถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับเรื่องความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะความเสื่อมของร่างกายะ mm hmm. องค์ก็จะต้องไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการที่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวเหมือนตอนที่นั่งประทับอยู่โคนต้นไม้ตามลำพัง ความสุขอันนี้มันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าอยู่ในวังไปเรื่อยๆก็จะไม่มีวันไม่มีเวลาว่างจากคนจะต้องมีคนคอยมาคอยห้อมรอมมาคอยรับใช้มาคอยสรรหาความสุขชนิดต่างๆผ่านทางตาหูจมูกรินกายมาให้พระองค์ได้เสพอยู่เรื่อยๆดังนั้นเมื่อถึงเวลาพอดีมีเหตุที่บังคับให้ต้องตัดสินพระไทย คือคืนที่ได้รับทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระโอรสออกมามหาเล็กก็นำความมาถวายให้ทรงทราบ พ, พอทรงทราบว่าพระมเหสีได้คลอดบุตรออกมาพระองค์ก็ทรงผูทานคาว่าราหุนออกมาคำว่าราหุนนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าบ่วง บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมัดใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้ต้องอยู่ในอ ย, อยู่ในพระราชวังไปตลอดเมื่อทรงทราบว่ามีบ่วงเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รีบหนีบ่วงนี้ก็จะลัทพระไทยของพระองค์จึงต้องตัดสินพระไทยในคืนวันนั้นว่าจะต้องออกจากวังไปแล้วถ้าอยากจะไปหาความสงบสุข ถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายเมืม่อทรงได้ตัดสินเมื่อได้ทรงพิจารณา<ม>เห็นแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องจากความสุขต้องสะละราชสมบัติก็เลยหนีออกจากพระวังพระราชวังไปในคืนนั้นโดยไม่ไปบอกให้ใครทราบเพราะรู้ว่าถ้าไปแจ้งให้ใครทราบแล้วจะต้องถูก ห้ามปามอย่างแน่นอนจึงต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั้นแล้วก็ออกไปบวชแล้วก็ไปบําเพ็ญจิตตภาวนารักษาศีลของนักบวชแล้วก็เจริญจิตตภาวนาอยู่ถึงเวลาหปีด้วยกันเจริญที่สุดก็ได้ส่งค้นพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงที่ถาวน ที่เกิดจากการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาเบื้องต้นก็ไปศึกษาทางด้านสมาธิก่อนทำใจให้สงบหยุดความโลภความโกรธความหลงได้แบบชั่วคราวไปก่อน แต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นหมดไปอย่างถาวรไม่ใช่หมดไม่ใช่หยุดเพียงในขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาทำงานต่อได้ เพราะสมาธินี้ไม่มีความสามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่สร้างให้จิตต้องก่อยกับความทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้ความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี้หมดไปอย่างถาวอลได้ก็เลยต้องคิดค้นด้วยตนเอง ด้วยปัญญาของตนเองจะในที่สุดก็ค้นพบเหตุของความโลภความโกรธความหลงว่าเกิดจากความไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่จิตไปโลภไปหลงนั่นเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปโลภไปหลงนี้ความจริงมันไม่ใช่เป็นความสุขความจริงมันเป็นความทุกข์ที่มันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันมีเจริญแล้ามันก็มีเสื่อมได้อะไรที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพอเราได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็เสื่อมไปหมดไปพอเวลามันเสื่อมมันหมดไปความสุขที่ได้ก็ขายไปได้ความทุกข์เข้ามาแทนที่จึงทรงเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่ ใจหลงไปคิดว่าให้ความสุขกับตนนั้นแท้จริงแล้วมันให้ความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เบียเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมเวลาอมยาขมที่เคลือบน้ำตาลเข้าไปใหม่ๆก็หวานดูหวานดีแต่พอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็ต้องไปเจอกับรสของความขน ชั้นใดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจอยากได้ที่คิดว่าให้ความสุขกับใจเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถพความสุขจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นความทุกข์ในบัานปลายในเบื้องต้นก็จะให้ความสุขเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขกันเช่นสมมติ เวลาแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยจะมีความสุขกันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่พออยู่กันไปสักระยะหนึ่งความสุขนั้นมันก็ค่อยๆจางหายไปความความหลงที่คิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นให้ความสุขมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็จะเห็นความจริงว่าสิ่งที่ให้มานั้นมันก็ไม่ได้วิเศษวิสโสอะไร แทนที่จะให้ความสุขเหมือนที่ตอนที่ได้มาใหม่ๆมันก็ไม่ได้แล้วก็ บ, บุคคลที่ได้มาก็เปลี่ยนไปใหม่ๆก็รักกันเอาใจกันต่างคนต่างเอาใจกันก็มีความสุขกันด้วยกันได้แต่พออยู่ไปเรื่อยๆต่อไปแทนที่จะเอาใจกันก็เอาใจของตนเองต่างฝ่ายต่างเอาใจของตนเองก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นมา ความสุขที่ได้ก็หายไปหมดก็เลยถึงกับเกิดการหย่าร้างขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยความสุขของการมีคู่ก็สุขตอนต้นๆสุขช่วงน้ำพึ่งพระจันทร์เนขะาเรียกว่าดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แต่พอน้ำพึ่งพระจันทร์หมดทีนี้ก็เหลือแต่น้ำขมพระจันทร์มาให้ดื่มกันก็ทนดื่มไม่ได้ก็เลยต้องหย่าร้างกันไปเลิกลากันไปนี่ก็เป็นเพราะธรรมชาติของ สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตลอดเวลามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทรงเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้มาทางตาหูจมูกลิน้นกายเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับประทาน ได้สัมผัสด้วยร่างกายของเรานี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอมันเสื่อมมันหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ความว้าเหวความเศร้าโศกเสียใจนี่คือการพิจารณาของพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่เห็น ว่าในสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยง<ม>เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลา ม, มีวันได้วันหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้วันนั้นก็จะกลายเป็นวันของความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์เราก็อย่าไปเสบมันเสียเท่ากัเท่านั้นเองเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเสพอะไรในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญเราก็มีความสุขได้แล้วทำไมเราไม่อยู่แบบนั้นล่ะถ้าเราไปอยู่แบบมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เดี๋ยวเราก็ต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนเมื่อเห็นดังนั้นก็ทำให้พระองค์นี้หยุดความอยากหยุดความโลภได้เมื่อหยุดความโลภได้ก็หยุดความความโกรธได้เพราะความโกรธนี้ก็เกิดจากความโลภนี่เองเวลาที่อยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้เรามักจะโกรธกันอยากใช้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามใจเราเราก็จะโกรธกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถึงแม้เขาจะทาให้เราก็ไม่ใช่จะทำให้เราทุกครั้งไปครั้งนี้เขาอาจจะทำให้เราครั้งต่อไปเขาอาจจะไม่ทาให้เราก็ได้<ำ>ถ้าคิดอย่างนี้เราก็อยากไปอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะไม่โกรธไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธเวลาที่ไม่ได้อะไรความโกรธมันตามมาจากความโลภแล้วความโลภมันก็ตามมาจากความหลง ความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนั่นเองพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นของที่เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทำให้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันพอหายหลงปั๊บมันก็หายโลภหายโลภมันก็หายโกรธพอหายโกรธแล้ว หายโลภแล้วหายหลงแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะว่าใจไม่ต้องการอะไรใจสามารถอยู่แบบที่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้อยู่แบบที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นการอยู่ที่สบายที่สุดเพราะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขนี่คือ การพิจารณาของพระพุทธเจ้าทําให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปธรรมขึ้นมาทร ง, งเห็นว่าพระไตรปของพระองค์ต่อไปนี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้ต้องต้องต้องทุกข์ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกาย เพราะว่าถ้าร่างกายไม่เป็นปกติร่างกายไม่มีความสามารถที่จะหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสกได้ใจก็จะไม่สามารถมีความสุขได้แต่ตามหลังนี้หลังจากที่ได้พบวิธีหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้แล้วหาวิธีที่จะป้องกันใจที่สงบไม่ไม่ให้วุ่นวายขึ้นมาได้ ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหนงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอใจไม่มีตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็ตั้งตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดก็จะให้ความสุขกับใจไปตลอดอันนี้คือลักษณะของบัณฑิตที่เราเข้าหากันคือพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่กับเราแล้ว แต่ท่านก็มีตัวแทนที่จะทำหน้าที่สั่งสอนพวกเราให้เราได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐความสุขที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือมีพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ทรงได้แสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันในขณะที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุแล้วก็ได้แสดงธรรมปรดสัตว์โลกทุกวันวันละสี่ครั้งด้วยกันสามสี่ครั้งด้วยกันตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาโยมตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุภิกษุณี <c oughs> ตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็เร็งยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น ใครเป็นผู้ที่พร้อมหรือผู้ที่มีเหตุที่อาจจะเป็นไปที่อาจจะทําให้เขาต้องจากโลกนี้ไปก็ไปโปรดคนนั้นก่อนไปสอนธรรมะให้เขาได้รู้จักวิธีเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญให้มาหาความสุขจากการการทำใจให้สงบให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากต่างๆ ก็จะไปโปรดคนนั้นในวันนั้น <c oughs> แล้วทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมก็จะมีคนคอยจดจํามีผู้ติดตามมีพระติดตามไปฟังด้วยเช่นมีพระอ น, น์นี้เป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปไหนนี่พระอานุ์ขอติดตามไปเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เอามาจดจามาจามาบันทึกไว้ในใจ <c oughs> วันไหนที่พระ อ, อ น, นุลไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมวันนั้นเวลาพระพุทธเจ้ากลับมาจากการแสดงธรรมพระ อ, อ น, นุลก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระ อ, อ น, นุลฟังอีกครั้งหนึ่งพระธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็ได้มีการจดจํากันส่วนใหญ่ก็จดจําจากพระ อ, อ น, นุลเป็นหลักเพราะพระอ น, นุลเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลายี่สิบกว่าปีด้วยกัน <c oughs> จนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระนรินทจึงเป็นแหล่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วพระเถระพระอรหันตเถระห้าร้อยรูปก็มาร่วมชุมนุมกันเพื่อมาทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จดจำกันมามาตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของคำสอนเพราะไม่ได้มีคนจำเพียงคนเดียวมีคนจำหลายคนด้วยกันและผานันทั้งหลายนี้ก็จะรู้ความถูกต้องของพระธรรมต่างๆยังมีการสังคยนาพระธรรมคาสอนครั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสเด็จดับขันธปบาลนีผ่านไปจากโลกนี้เพื่อที่จะได้อนุรักษ์คำสอนไว้ ก็เลยมีการจดจําคําสอนนี้ซึ่งมีจํานวนถึง8ปดหมี่พันธรรมบทด้วยกันในสมัยนั้นยังไม่มีการจดจําด้วยการสายเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือก็ต้องอาศัยความจําของพระที่มาบวชกันพระแต่ละรูปที่มาบวชก็จะแบ่งกันจําพระธรรมคําสอนในแต่ละหมวดในแต่ละหมู่มาอยู่เรื่อยๆ จนถึงยุคที่มีการใช้ตัวอักษรมีการอ่านหนังสือกันได้อ่านออกเขียนได้ก็เลยมีการบันทึกคำสั่งคำสอนเป็นตัวอักษรและรวบรวมเก็บไว้ในคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่แหละคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีคำสอนของผู้อื่นถ้ามีก็จะมีการบ่งไว้ว่านี่มีคําสอนของของภาษาวกรูกนั้นรูปนี้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการสังคายนาได้รับการตรวจสอบได้การรับรองจากพระอรหันต์ในยุคต่างๆมาจนถึงยุคปัจจุบัน mm hmm. ถ้าเราอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็ให้เราเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสอนที่มีไว้ที่มีแสดงไว้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ mm hmm. mm hmm. นี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า พรจะพุทธเจ้าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอไม่ต้องเสียใจว่าเราจากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่มีศาสดาเพราะว่าหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้วศาสดาหรืออาจารย์ของพวกเธอก็คือพ่อธรรมสอนที่เราได้แสดงไว้ชอบแล้วนี่แหละที่ได้มีการจดจำได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระตถาคตจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป ถ้าพวกเราอยากจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกตั้งแม่นยำที่สุดก็ต้องไปเรียนที่จะเรียนจากพอ่อไตปิโดกซึ่งถึงแม้ว่าพอ่อไตปิโดกนี้จะมีคำสอนอยู่หลากหลายหลายหลายหมื่นบทด้วยกันก็ตามแต่ทุกคาสอนนี้ก็เป็นคำสอนที่มุ่งไปทิศ ท, ทางเดียวกันทั้งหมดคือเป็นคำสอนที่ชี้วิธีการปฏร<บ>ิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้น ซึ่งการวิธีการดับความทุกข์นี้ก็มีหลายหลายระดับด้วยกันหลายขั้นตอนด้วยกันเหมือนกับการศึกษาทางโลกการศึกษาทางโลกทางโลกนี้ก็มีหลายระดับเราต้องเริ่มจากระดับต่ําคือระดับอนุบาลแล้วก็ไปสู่ระดับประถมระดับมัธยมจนในที่สุดเราก็ไปถึงขั้นระดับปริญญาตรีโทเอกตามลําดับต่อไป เพราะตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้มีแบ่งไว้เป็นระดับระดับถ้าเราอยากจะศึกษาระดับไหนเราก็ไปค้นคว้าศึกษาในระดับนั้นๆได้อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างขึ้นมาครั้งแรกที่กล่าวถึงพระมงคอ ล, ลสูตรเนี่ยมงคอลสูตรนี้ก็เป็นธรรมที่สอนสรุปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นระดับอนุบาลไปจนถึงขั้นระดับปริญญาเอกคือขั้นบรรลุถึงพระนิพพาน ทรงสแสดงไว้38ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ไปหาให้ไปหาครูที่ฉลาดอย่าไปหาครูที่โง่สอนอย่ไปคบบัณฑิต อ, อย่าไปคบคนพาลเข้าหาคนฉลาดอย่าเข้าหาคนโง่แล้วต้องเป็นคนฉลาดทางธรรมด้วยคนฉลาดทางธรรมนี้กับคนฉลาดทางโลกนี้ต่างกันนะคนฉลาดทางธรรมแม้จะไม่มีปริญญาเอกไม่ได้จบปริญญาเอก ทางโลกแต่เป็นผู้จบปริญญาเอกทางธรรมก็คือพอระอาลานตสาวกทั้งหลายซึ่งบางท่านนี้ก็ไม่ได้ศึกษาทางโลกเลยพระอาจานบางรูปนี้แม้ แ, มแต่อ่านหนังสือก็อ่านไม่ออกเพราะตอนที่เป็นเด็กไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินทำนาทำไรแต่พอถึงเวลาบวชก็ไปบวชการบวชนี้ก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องอ่านออกเขียนได้ ข้อสำคัญขอให้ท่องจำฟังแล้วให้จำให้ได้เท่านั้นเองเวลาจะบวชก็จดจำคำคำคำบวชให้คนที่เขารู้อ่านหนังสือได้ให้สอนว่าเวลาจะบวชต้องกล่าวคำอะไรเช่นเอซ่าห้างพันเตก็เอาไปท่องพอถึงเวลาบวชก็ก็ท่องตามที่ได้ท่องไว้ก็บวชได้โดยที่บางท่านนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออก คือท่านไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้ทางโลกแต่ท่านมีความรู้ทางธรรมท่านรู้วิธีที่จะปฏิบัติรักษาศีลอย่างไรรู้จักวิธีที่จะทำใจให้สงบได้อย่างไรรู้จักวิธีที่จะสอนใจให้ฉลาดไม่ให้ง่ไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรเท่านี้ก็สามารถที่จะทาให้ท่านนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระบัณฑิต เป็นบัณฑิตทางธรรมได้เห็นบัณฑิตทางธรรมนี้บางทีเราดูไม่ออกกันเพราะบางทีท่านอาจจะจบแค่ป .4 ก็มีจบแค่ม .6 ก็มีจบปริญญาก็มีแต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่เป็นตัววัดความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้อยู่ที่ความสามารถที่จะใช้จิตใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ศีล มาดับกิเลสดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นดังนั้นการครบบัณฑิตทางธรรมนี้ก็จะต้องใช้การศึกษาถามคนต่างๆไปวัดแล้วก็ถามว่าที่ไหนมีพระ ด, ดีบ้างพระที่สนสอนให้การปฏิบัติพระที่ไม่สอนก็มีพระที่สอนก็มีพระที่ปฏิบัติก็มีพระไม่ปฏิบัติก็มีซึ่งความจริงแล้วในยุคแรกๆสมัยพระพุทธการนี้ จะมีแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้นเองจะมีภาคปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพอสมัยนั้นการบวชนี่เป็นของยากลําบากการอยู่แบบแบบนักนบวชก็อยู่กันแบบยากลําบากไม่สุขสบายเหมือนยุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนนี่อยู่กันแบบไม่มีวัดกันอยู่อยู่ตามอยู่ตามโคนไม้กัน ผ้าก็ต้องไปเก็บผ้าหอ่อุดมาทำเป็นผ้าจีวรห่มกันยารักษาโรค ก, ก็ใช้น้ำมูดใช้ยาดองน้ำมูดยาดองน้าปัสสาวะนี่ดื่มกันอาหารบินทะบายก็ไปอาศาัยการบินทบาตมาฉันมารับประทานกันสมัยนั้นจึงไม่ค่อยมีคนมาบวชกันเท่าไหร่คนที่บวชก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสจริงๆเท่านั้น ในยุคสมัยพุทธกาลนี้จึงมีแต่พระปฏิบัติพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยบุคคลก า, การหาพระในหาพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลนี้หาง่ายเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นเพราะมุ่งมาเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ต่อมาเมื่อศาสนามีความเจริญมีผู้มีศรัทธาร่วมถวายทรัพย์ สร้างวัดสร้างสถานที่อยู่อาศัยให้อย่างสะดวกสบายถวายอาหารถวายจีวรให้ถวายอยู่ถวายยาให้อย่างมันก็เลยเป็นเครื่องดึงดูดพวกที่ไม่ได้สนใจที่จะมาศึกษาปฏิบัติแต่เป็นพวกที่จะมาหาผลประโยชน์จากศาสนาก็ลักลอบเข้ามาบวชกันเมื่อมาบวชแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราจึงสมัยนี้เราจึงมีพระหลายรูปแบบด้วยกัน พระที่มาบวชแล้วศึกษาปฏิบัติก็มีพระที่มาบวชแล้วไม่ศึกษาปฏิบัติแต่ไปทํากิจอย่างอื่นเช่นไปเป็นหมอดูบ้างไปเป็นคนอาบน้ํำมุนบ้างไปทําเครื่องรางของขลังบ้างเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพระทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงพระในทางพระพุทธศาสนานี้ต้องเป็นผู้ที่มามาศึกษาไตสิกขาไตสิกขาก็คือวิชาสามทางพระพุทธศาสนา คือมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาแล้วก็เมื่อได้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติรักษาศีลอย่างแข็งขรึดแล้วก็ปฏิบัติสมาธิไปปีกวิเวกไปออกทุดงอยู่ตามป่าตามเขากันเพื่อจเจริญสติให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเพราะการจะฝึกสมาธินี้ ต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้ที่มีแสงสีเสียงนี้จะเป็นเครื่องลบกวนใจพอใจได้ยินได้ยินได้สัมผัสกับแสงสีเสียงแล้วใจจะวุ่นวายขึ้นมาใจจะไม่สงบใจจะฟุ้งขึ้นมาใจจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ผู้ที่ได้ศึกษาแล้วจึงมักจะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากัน เพื่อที่จะได้เจริญสมาธิเพื่อทําใจให้สงบแล้วพอใจสงบแล้วก็มาเจริญทางด้านปัญญาต่อไปอันนี้ไม่ได้ ท, ทําทีเดียวพร้อมกันเพราะการจะทําสมาธิให้สงบนี้ไม่ใช่ทําครั้งเดียวต้องทําบ่อยๆทําหลายครั้งทำํำจนกระทั่งสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญากัน เวลาฟังที่ท่านเทศบอกว่าเวลาใจสงบแล้วให้พิจารณาปัญญานี้อันนี้ไม่ใช่ทำในตอนเดียวกันความเป็นจริงเวลาทำใจให้สงบแล้วให้รักษาความสงบให้มันสงบไปนานๆอย่าเพิ่งไปเจริญทางปัญญาให้ฝึกซ้อมเรื่องสมาธิเรื่องของความสงบให้ชนานาญก่อนให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการ และเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ให้มันสงบได้เป็นเวลาอันยาวนานหลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงก่อนต้องทำสมาธิให้ช่มชองก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมาฝึกทางด้านปัญญาต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธิทุกครั้งที่เข้าสมาธินี้ไม่ให้เจริญปัญญาการเข้าสมาธินี้เพื่อทาใจให้สงบเพื่อสร้างพลังให้กับใจเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับการเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมา อันนี้เวลาฟังท่านอาจจะพูดแบบสรุปพอคนที่ไม่เคยปฏิบัติฟังก็เลยคิดว่าไอ้นั่งสมาธิพอจิตสงบครับ้ะให้พิจารณาตายรักทันทีอันนี้ไม่ใช่ทาอย่างนี้ผิดทํอย่างนี้แล้วใจยังไม่สงบไม่นานก็จะไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาแล้วเพื่อปล่อยวางได้การพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพื่อหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้นิจใจต้องมีความสงบมากๆมีความนิ่งนานๆคือมีออเบขานน่นเองสามารถหยุดใจวางเฉยได้เวลามีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสก็สามารถฝืนความอยากได้ด้วยปัญญาที่สอนว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์อย่าไปอยากอยากแล้วเดี๋ยวจะทุกข์แต่ถ้าไม่มีออเบขาไม่มีความสงบนานๆนี้จะหยุดความอยากไม่ได้ พอเห็นอะไรที่อยากได้ปั๊บนี้จะต้องเด่นไปหามันทันที<ม>เพราะว่าสมาธิยังมีกําลังน้อยเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิต้องรู้ว่าเราต้องฝึกให้รู้ว่าใจเรานี้มีกําลังมากที่จะสามารถฝืนความอยากได้แล้วถึงเราเราถึงจะไปทางปัญญาได้ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันเวลานั่งสมาธิพอจิตนิ่งสงบแล้วก็ให้พิจารณาปัญญาเลยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติต้องแยกเป็นวาระการทำสมาธิก็เป็นเรื่องของสมาธิล้วนๆแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจะทำปัญญาก็ทำปัญญารุ่นๆอันนี้ต้องแยกเป็นวาระกันเป็นเหมือนห้องเรียนเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็เรียนแต่วิทยาศาสตร์พอออกจากห้องวิทยาศาสตร์มาเข้าห้องห้องประวัติศาสตร์ก็เรียนแต่ประวัติศาสตร์ ไม่เรียนสองวิชาพร้อมกันในห้องเดียวกันสมาธิกับปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้ทำพร้อมกันแยกกันทำเวลาทาสมาธิเราจะไม่ทาปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ไม่ต้องไม่กังวลถึงเรื่องของความสงบเพราะเวลาพิจารณาทางปัญญามันจะสงบไม่ได้มันต้องคิดแต่คิดไปในทางปัญญาแล้วมันจะไม่ฟุง้งมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ทุกข์มันจะทาให้ใจยเย็น อันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องของพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาพระที่มาบวชจริ ง, รงๆพระของพระพุทธศาสนาคือพระที่มาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันไม่ได้มาบวชเพื่อมาดู ด, ด, ดวงให้ญาติโยมไม่เ่อไม่มาบวชเพื่อมาเสกมาเป่า มาสร้างวัตถุมงคลแจกมาอาบน้ำมนให้มาดูดวงดูชะตาให้มามาทำมาสะเดาะเคราะห์ให้อะไรต่างๆเหล่ า, านี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่กิจของสงกิจของพระมีเพียงแต่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือการศึกษาพระธรรมคาส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้วิธี ปฏิบัติแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเช่นต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ออกไปปฏิบัติกันศีลก็รักษาอย่างเคร่งครัดศีลสองรอยิบเจ็ดข้อก็จะต้องไม่ละเมิดแล้วก็สมาธิก็ต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดสมาธิปัญญานี้จะต้องไปปลีกวิเวกกันถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้ยากต่อการที่จะบรรลุผลได้ดูประวัติของพระอาจารย์แต่ละรูป พระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้ท่านบรรลุธรรมในที่ในตามป่าตามเขาท่านไม่ได้รบรรลุตามบ้านตามเมืองกันเพราะบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปร า, ากฏของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับการปลูกข้าวเนี่ยถ้าไปปลูกข้าวบนพื้นพื้นพื้นซีเมนนี่ปลูกไม่ได้หรอกปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นแจะปลูกข้าวต้องไปปลูกบนพื้นดิน ฉันใดการจะปลูกผ้าอรหันให้งอกงามขึ้นมานี้ก็ต้องไปปลูกตามป่าตามเขาถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้ไม่มีทางที่จะทําให้เกิดเป็นผ้าอรหันกันขึ้นมาได้ถ้าไปศึกษาดูประวัติของผ้าอรหันแต่ละรูปส่วนใหญ่จะเป็นผ้าป่าทั้งนั้นเป็นผ้าปฏิบัติพระที่ผ้าที่อยู่ตามบ้านตามเมืองผ้าที่มียศมีศักอะไรเหล่านี้ไม่ไม่มีเป็นผ้าอรหัน์แม้แต่รูปเดียวก็เพราะว่า สถานที่ที่ท่านอยู่นะั้นมันไม่เอืออออเอ้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติอาจจะเอื้อต่อการศึกษาศึกษาได้แต่การปฏิบัตินี้ต้องไปเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกปราศจากสิ่งที่บรบกวนใจคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนั่นเองแล้วพอท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วท่านก็จะได้ขั้นที่สามี่เรียกวปฏิเวทปฏิเวทก็คือได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่สขั้นที่4ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สาเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอรหันต์พอได้ขั้นที่4พระอรหันต์ก็ได้พระนิพพานเป็นรางวัลไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหล็กต่อไปส่วนขั้นที่หนึ่งสองสานี้ยังยังติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ยังไม่ออกยังไม่พ้นจากสังสารวัฏ เช่นพระขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันนี้ยังะยังยังจะต้องกลับมาเกิดอีกถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้าได้ขั้นที่สองก็จะเวียนว่ายตายเกิดเพียงชาติเดียวในกาลมาภพเนี่ยส่วนขั้นที่สามก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในกาลมาภพแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพอยู่ <c oughs> ส่วนขั้นที่สี่นี้ ก็จะหลุดออกจากตายภพได้หลุดออกจากการมาภพรูปภพอรูปภพเพราะได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้น ป, ปริยัตศึกษาปฏิบัติปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็คือบรรลุมรรคผลผนิพพานพอบรรลุมรรคผลผนิพพานถึงนิพพานแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปคือแสดงธรรมโปรดศัทธาต่อไปผเผยแผ่ธรรม เผยธรรมเพื่อที่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุจะได้ศึกษาจะได้รู้วิธีที่จะบรรลุซึ่งจะเป็นวิธีที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่ต่อไปเพราะว่าพอหมดยุค ข, ของพระอรหันยุคนี้แล้วก็ต้องมีพระอรหันยุคใหม่ขึ้นมาแทนที่ถ้าไม่มีการเผยแผ่ธรรมจากพระอรหันในยุคนี้ก็จะไม่มีการบรรลุเป็นพระอรหันในยุคต่อไปได้าการ หน้าที่ของพระจึงมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนที่หนึ่งก็คือศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเสร็จแล้วก็มา <c oughs> มาปฏิบัติไปปลีกวิเวกไปทุดงกันการปฏิบัติต้องปีกวิเวกต้องทุดงด้วยเพราะข้อทุดงนี้เป็นเหมือนกับเครื่องช่วยเสริมความเพียรให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น ไปปฏิบัติวิเวกชุดงแล้วก็บรรลุทำขั้นต่างๆพอบรรลุแล้วทีนี้ก็กลับมาอยู่ในตามบ้านตามเมืองได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไปอยู่ป่ามากี่ปีพอหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็มาโปรดญาติโยมญาติโยมก็นิมนต์ท่านไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆแล้วยาติโยมก็มาศึกษามาปฏิบัติมาศึกษาพอศึกษาเข้า อ, อกเข้าใจแล้วว่าจะต้องปฏิบัติตายศิษฐ์ขา แล้วบางคนก็ถึงกับขั้นที่ออกบวชกันทั้งหญิงทั้งชายออกบวชกันแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติจนบรรลุ ก, กันเป็นพระอรหันต์กันแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมกันนี่แหละคือหน้าที่ของนักบวชในในพระพุทธศาสนาคือหน้าที่ของการการการเรียนการปฏิบัติและการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรม นี่เป็นงานของพระพุทธศาสนางานของพระของผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไปทํางานอย่างอืงอ่นนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่งานของพระพุทธศาสนาคือแสดงว่าออกนอกลูก่นอกทางกันแต่เนื่องจากว่าในยุคนี้สมัยนี้มีคนที่ปฏิบัติในในตามหลักที่แท้จริงมีน้อยมากเลยกลายเป็นของแปลกไป ของที่ไม่แปลกก็คือของพวกที่ปฏิบัตินอกลู่นอกทางกันกลายเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติไปบวชมาแล้วต้องดูดวงเป็นบวชมาแล้วต้องอาบน้ำมนต์เป็นบวชมาบวชมาแล้วต้องเจิมเป็นต้องเจิมป้ายเป็นเจิมหน้าผากเป็นต้องทำพิธีกรรมต่างๆเป็นถ้าทำไม่เป็นนี้ถือว่าไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดขอญาติโยมเข้าใจว่า พระในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้ต้องทําตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงนํามาสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงออกบวชออกบวชแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอบรรลุแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมพอเผยแผ่ธรรมเพื่อผลิตพระอันหันที่จะมาทําหน้าที่แทนพระองค์ต่อไปแล้วพระอหรหันต์ก็เมื่อได้เป็นพระอหรหันต์แล้วก็ไปทำเผยแผ่ธรรมต่อไป นี่แหละคือหน้าที่ของพระในพระพุทธศาสนาการมรบวชการที่เราจะไปศึกษาหาพระที่แท้จริงก็ต้องหาดูตรงนี้ดูว่าท่านศึกษาท่านปฏิบัติท่านเผยแพ่ท่านบรรลุธรรมท่านเผยแพ่ธรรมหรือไม่ถ้าไม่มีอยู่ในนี้เลยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพระที่เราควรจะเข้าหาไม่ใช่พระในรัตระพระในพระรัตนาตรายัย พระรัตนตายก็คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้ในบทสังฆคุณสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการดุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เป็น นักศึกษาของพระพุทธเจ้าที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล4ระดับด้วยกันเป็นผู้ที่สมควรต่อการบูชาเป็นผู้ที่สมควรต่อการนอบน้อมให้ความเคารพเป็นต้นเป็นผู้ที่สมควรต่อการเข้าหาเพื่อศึกษาพราะธรรมคำสั่งคําสอนต่างๆนี่คือวิธีเลือกพระถ้าเราอยากจะคบบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาต้องเข้าหาพระที่เป็นพระ พระตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าไปหาพระที่ไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิเวทไม่มีการเผยแผ่ธรรมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นพระไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตของพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นมงคลถ้าไม่ไปหาถ้าไปหาพระแบบที่ไม่ได้เป็นแบบนี้จะเป็นมงคลก็ต้องเข้าหาพระที่เป็นสุปฏิปันโนเท่านั้น นี่คือเรื่องของความเป็นมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวาอิโตชิ น, นังเปตานังอุ ป, ปะกะัปะติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชาตุสัพเพปเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขิทีคายุโกภวะ พิวาทานสีิทธะนิจังวุธาปจายโนจาตารธรรมวาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวพอเลิกแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆก็จะไม่สะดวกกับการถามตอบคำถามงั้นขอเชิญถามในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าบางการจะถามเองก็เข้ามาที่นี่เรามีไมโครโฟนให้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา หรือส่งเข้ามาทางมือถือเข้ามาทางเพจทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 391ท่าน YouTube 282ท่าน YouTube Dr. V 95ท่านวิทยออนไลน์5ท่าน Club House 12ท่านนาคุติร้6กิท่านรวมทั้งหมด เก้าร้อยห้าสบอ็ดท่านครับพระอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากหน้ากุดค่ะสอบคุณโชติกา ในความฝันของลูกมีบุคคลในฝันได้กล่าวคําว่าโสดาปฏิผลมีความหมายว่าอย่างไรแตกต่างจากคําว่าพระโสดาบันอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันหมายถึงการได้บรรลุถึงพระเป็นพระโสดาบานันก็ได้บรรลุถึงโสดาปฏิผลค่ะ คำถามถัดไปจากท่านเดิมนะคะว่าลูกปฏิบัติแล้วเกิดอาการหน่วงที่หน้าผากลูกควรแก้อย่างไรเจ้าคะไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปให้ความสำคัญเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน <c oughs> คำถามจากหน้ากุดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการไม่ทานเนื้อสตัตว์ถือว่าเป็นการทาบุญหรือได้บุญไหมคะ ไม่ได้บุญแต่ไม่ได้บาปคำถามจากท่านเดิมค่ะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหมายถึงอะไรแตกต่างจากพระพุทธเจ้าอย่างไรคะพระพุทธเจ้าที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สอนคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าถ้าสอนคนอื่นก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามจากหน้ากุดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเริ่มต้นภาวนาพุทธโธแล้วหายใจติดขัด แก้ไขอย่างไรดีคะก็ใช้คำบริกรรมพุดโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องการหายใจมันเป็นเรื่องปฏิกิริยาของใจเวลาถูกบังคับให้ทําอะไรมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าบริกรรมก็บริกรรมไปถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ส่วนส่วนมลไปก่อนส่วนติฏิปิโสไปก่อน จนกว่าใจยังไม่มีอาการอะไรแล้วค่อยมาพุโทโธแล้วดูลมหายใจต่อคำถามจาก y o u t u ด็อเตอร์วีค่ะเห็นโลกกระแทเหมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ห่อหุ้มไว้ด้วยผิวคือตันหาทั้งสามแต่ยังมีความไปหวั่นไหวสนใจมีความอยากไปยุ่งกับมันอยู่นั่นคือความทุกข์ควรฝึกอย่างไรต่อไปครับก็ต้องเห็นว่ามันทุกข์เห็นไหมถ้าไปยุ่งกับมันแล้วจะทาให้เราปวดร้าวหัวใจ ทุกทรมานใจก็อย่าไปยุ่งกับมันของสิ่งต่างในโลกนี้ทิ้งไปให้หมดไปบวชไปอยู่ตามป่าตามเขาไปหาความสงบดีกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทัดละลาวสมบัติแล้วก็ออกบวชจนในที่สุดก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต่อไป หมแล้วคําถามถัดไปจากคุณอุค่ะอยากทราบวิธีสะสมบุญบา ร, รมีเพื่อให้ได้เป็นเอตัทัคคะและเป็นพระสาวกใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็รู้เพียงแต่ว่าสร้างบุญบา ร, รมีมาเพื่อให้บรรลุธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่จะสร้างเพื่อให้เป็นนั่นเป็นนี่นี้ไม่ไม่ได้ศึกษามาอันนี้ต้องไปต้องไปเรียนที่อื่น คำถามจากเฟ e บุ o กค่ะจากคุณพรพีเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติค่ะเวลามีคนทำอะไรให้ขุนมัวจะเห็นอารมณ์ขัดใจแล้วสังเกตว่าอารมณ์ขัดใจค่อยๆเปลี่ยนเป็นเฉยๆแล้วหายไปทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเรามีพื้นชอบเปรียบเทียบชัางติแนะนำให้จเจริญธรรมข้อไหนในการปฏิบัติคะก็ติตัวเองถ้าชอบไปติคนอื่นก็หันกลับมาติตัวเองแล้ ว, แ ล, วแล้วตัวเราเป็นยังไงลนะ่ะ เราเราดีกว่าเขาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเวลาอยากจะติใครก็กลับมาติตัวเราติตัวเราแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราไปว่าเขาเราวิเศษกว่าเขาแล้วเลยค่ะส่วนคาถามที่ว่าเวลามีอารมณ์ขัดใจแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเฉยๆนี่เราค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นก็ได้ถ้าปล่อยให้มันหายไปเองโดยที่ไม่ไปทุกข์กับมันก็ได้ ค่ะคุณจรัญญาค่ะยมพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นซากศพแล้วเน่าเปื่อยพิจารณาไปทุกขณะเลยได้ไหมคะได้แต่เวลาจะใช้ยิงๆิงตั้งรอเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเวลาที่เห็นใครสวยงามหล่อเหลาแล้วอยากจะร่วมเพศกับเขานี่ต้องพิจารณาร่างกายของเขาให้เป็นซากศพให้ได้ คำถามจากคุณปอค่ะกลาบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราพุโทโธได้อัตโนมัติแปลว่าเรามีสติมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเวลาพุโทโธอัตโนมัติมันจะเหมือนคิดอะไรไม่ค่อยออกอันนี้คืออาการปกติไหมคะปกติเพราะถ้าเราใช้พุทธโทรเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราต้องคิดเรื่องอื่นเราก็หยุดพุดโทโธไปก่อนคำถามถัดไปจาก youtube ค่ะ กลับเรียนสอบถามเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดปฏิบัติธรรมได้ดีแต่เวลากลับมาบ้านไปอยู่ในสังคมปกติรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนใจร้อนขึ้นและในใจชอบดูหมิ่นหรือว่าผู้อื่นแบบนี้ต้องแก้อย่างไรดีคะก็พยายามติดเวทเวให้มากขึ้นไปอยู่ห่างไกลจากคนให้มากขึ้นเพราะเวลาเราอยู่ใกล้คนแล้วเราก็ยังอดที่จะไปวิพากวิจารณ์เขาไม่ได้เพราะใจเรายังมีสติไม่ต่อเนื่อง เราต้องไปปฏิบัติให้มันมากขึ้นให้มีสติต่อเนื่องพอเราต่อไปเวลาเราจะไปวิาพากวิจารไคถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้ค่ะคำถามจาก<ฆ>คุณบาบกับบุญมีจริงกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันในชีวิตประจำวันนึกพุทโธแต่มีความคิดฟุ้งซ่านตลอดแก้อย่างไรคะก็ไม่พุทโธจริงต้องเอาแบบจริงจังต้องให้อยู่กับพุทโธจริงๆไม่สนใจกับความคิดอย่างอื่น ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวคำถามถัดไปจากคุณชิตชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์งานสมโพษพราพผูกสายศิลพันหัวมีตั้งแต่สมัยก่อนหรือเปล่าครับหรือเพิ่งทำขึ้นมาใหม่หมายความว่าอะไรครับในพระไตรปิฎกไม่มีแสดงไว้นะเรื่องพิธีกรรมต่างๆนี้ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเลยศาสนาคุณที่ไม่ใช่ศาสนาพิธีกรรม เป็นศาสนาปฏิบัติธรรมปฏิบัติทานศีลภาวนาคำถามถัดไปจากคุณคำถามถัดไปจากเฟซบุ๊กค่ะสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> ห น, นนนหนูมีแฟนก็เคยมีแฟนที่นอกใจหนูมีแฟนก็เคยมีแฟนที่นอกใจพอมามีครอบครัวก็มีสามีที่เรารู้ว่ากําลังนอกใจแต่ยังจับไม่ได้ต้องใช้ชีวิตแบบต้องระแวงกันตลอดมันเป็นกรรมของหนูหรือเปล่าคะที่ต้องเจอคนแบบนี้ก็เป็นความอยากของเราเนะ่ะอยากจะมีแฟนมันก็เลยต้องเจอถ้าไม่มีแฟนก็มนไม่เจอ ไม่ว่าเจอใครมันส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนหะเพราะคนใจของเราไม่ใช่ใจเดียวมันอยู่กับคนเดียวมันมานานๆมันก็เบื่อพอมันไปเห็นของใหม่มันก็ชอบขึ้นมาเป็นเรื่องปกติของคนที่มีกิเลสด้วยกันนอกจากเราโชคดีเหมือนถูกกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปเจอคนที่รักเดียวใจเดียวก็ซึ่งเป็นคนที่หายากอาจจะมีบ้าง คำถามถัดไปจากคุณกุลาบ ค, ค่ะน้อมกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อวานลูกได้ไปทําบุญที่วัดแล้วได้คุยกับพระที่มารับสังฆทานพอหลังจากนั้นท่านได้บอกว่าลูกได้บรรลุแล้วและปลงแล้วคืออะไรหรือเจ้าค่ะหรือเป็นหรือเป็นรูกฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วลูกนํามาปฏิบัติเจ้าค่ะกราบสาธุค่ะก็ทำไมไม่ถามท่านล้วหมายความว่ายังไงท่านเป็นคนพูดก็ต้องถามท่านอิเราไม่ได้เป็นคนพูดเรไป ผูกตอบแทนท่านได้อย่างไรคือท่านพูดยังไงก็ไม okay. ่สำคัญหนกับว่าเราเป็นหรือไม่เป็นมากกว่าถ้าท่านพูดว่าเราเป็นหมาเราไม่ได้เป็นหมาท้อย่างเลยมันจะเป็นหมาได้อย่างไรถ้าเราเป็นหมาถึงแม้ท่านจะไม่พูดว่าเราเป็นหมาเราก็เป็นหมาเหมือนกันถ้าเราบรรลุนี่ใครจะมาเราไม่บรรลุมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนการบรรลุของเรา เราไม่บรรลุใครเข้ามาว่าเราบรรลุมันก็ไม่ได้ทำให้เราบรรลุขึ้นมางั้นอย่าไปสนใจกับลมปากของคนอื่นสนใจกับความเป็นจริงของเราว่าเราเป็นอะไร คำถามจากคุณสวยๆค่ะที่ฉันพบรู้ได้เช่นกับผู้รู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความพระพุทธเจ้คาคสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนมาสามารถทดลองในตัวในใจและพิสูจน์ให้เห็นกับคนๆคนั้นเองถูกถูกต้องใช่ไหมคะก็เป็นวิชาตามหลักวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์แต่ผู้ที่จะ ศึกษาก็ต้องมีความเชื่อก่อนว่าเป็นเป็นเป็นวิชาที่จะสอนให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจของเราถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่สนใจเราก็จะไม่ศึกษานั้นก็ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนเชื่อว่าคําสอนของพระเจ้านี้เป็นคําสอนที่เรามาใช้ในการดับความทุกข์ใจได้แทนที่จะไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเรามาลองวิธีของพุทธเจ้าดูว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง ดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่มาศึกษาไม่มาทดลองวิธีของลบทะเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะมาศึกษามาพิสูจน์ต้องพิสูจน์เชื่ออย่างเดียวไม่พอการเชื่อนี้เพื่อดึงดูดให้เรามามาศึกษามาปฏิบัติมาพิสูจน์มาเชื่อแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเป็นจริงอย่างที่เราเชื่อหรือไม่ค่ะคาถามถัดไปจากฟค่ะ จะทำให้จิตเป็นอุเบกขาให้ได้ทุกเรื่องเพื่อให้อยู่อย่างไม่อยากต้องเข้าสมาธิอัปปนาสมาธิและพิจารณาความไม่เที่ยงเสมอๆถึงจะถึงตัวอุเบกขาใช่ไหมเจ้าคะ้ะ ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่พิจารณาเลยให้เข้าสมาธิให้นิ่ง น, นานๆให้มันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาต้องเวลาฝึกสมาธินี้ไม่ต้องฝึกปัญญาไม่ต้องพิจารณาอะไรให้ทาใจให้สงบให้นิ่ง น, นานๆแล้วมันก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมา และพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็รักษาอุเบกขาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเพื่อจะหยุดความอยากที่มาทำลายอุเบกขาของเราไปคำถามจาก ทางยูทูบค่ะเป็นคนนั่งสมาธิใช้บริกรรมพุทโธไม่ได้แต่ดูลมหายใจเข้าออกจากปลายจมูกและดูอาการยุบพองที่ท้องได้ใช้แบบนี้แทนพุทโธได้ไหมเจ้าคะและชอบหลุดออกจากสมาธิง่ายแบบนี้ต้องแก้อย่างไรไม่ให้หลุดออกจากสมาธิคะก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เวลามันออกไปก็กลับเข้ามาถ้าดูลมก็ดูลมใหม่ดูลมก็ให้เลือกเอาที่เดียวที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้ แต่อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้อยู่ที่เดียวถ้าที่ปลายจมูกก็อยู่ที่ปลายจมูกไปถ้าอยู่ที่หน้าท้องก็อยู่ที่หน้าท้องไปเวลามันเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงมันกลับมาที่ที่เราตั้งไว้ที่เราตั้งไว้ตอนต้นทำไปไม่ไมๆมันจะหลุดเรื่อยๆเพราะใจมันยังไม่ยังมีกาลังไม่พอสติไม่พอที่จะดึงให้มันอยู่กับที่เราตั้งไว้นานๆแต่ทาไปบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่หลุดท่า คำถามจากทาง youtube ค่ะหลวงพ่อครับช่วยอธิบายวินป้ายขาวลิดไถ่ฆ่าโดยสารหน่อยครับอะไรนะช่วยอธิบายวินป้ายขาวลิดไถ่ฆ่าโดยสารหน่อยครับอดีตไม่แ<ม>น่ใจ ว, <น>ว่าควรถามไหมครัค่ะตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะโอเคไม่มีคําถามก็จะได้ยุติการสนทนาทำไวเพียงเท่านี้